เป็นของไม่แน่นอนแต่ว่าแน่นอนเกิด <c oughs> อยู่ในโลกแ่้จะไปในที่ใดก็ตามในส่วนกายก็ไปในมนุษย์โลกส่วนจิตใจไปตามธรรมะของใครก็มัน ส่วนสกลละกายไม่แน่นอนแต่ก็แน่นอนอยู่ในมนุษย์โลกในเวลาที่ไม่สิ้นลมปานโลกทั้งปวงยน่นลงมาเป็นโลกเดียวกันโลกที่เกี่ยวกับมหาปูตธาต ก็มีธาตุดินน้ำไฟลมมีวิญญาณเป็นผู้รองสิงมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกสัตว์โลกก็มีดินน้ำไฟลมเป็นตัวประธานเป็นมหาภูตธาตุ เป็นมหาภูตธรรมชัติช่งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกดินโลกน้ำโลกไฟโลกลมเหล่านี้จัดเข้าในสังขารโลกโลกคือสังขาร เกิดขึ้นมาแล้วก็แปลปวนและแตกสลายไปเป็นยุกยุคเป็นรอบรอบอยู่เป็นหนึ่งนิดไม่ขาดใจสังขารหักเกิดขึ้นสังขารหักตั้งอยู่สังขารหักแปรปรวนสังขารหักดับไป มีเกิดขึ้นจึ็นเบื้องต้นมีแปรปรวนเป็นเท่ากลางมีดับเป็นสุดท้ายแต่ก็วนไปวนมากันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าโลกกลมกลมพระวนพระวนเวียนเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายของละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดแปรปรวนอย่างละเอียด แตกสลายไปอย่างละเอียดของอยา ก, ก็เกิดขึ้นอย่างยากแปรปวนอย่างอยาบหยาบแตกสลายไปอย่างหยาบหยาบวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นอกจากสังขารไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นและไม่มีอันใดจะแปลปวน และไม่มีอันใดจะดับไปสังขารเท่านั้นเกิดขึ้นสังขารเท่านั้นแปรปรวนสังขารเท่านั้นดับไปอเิจังเท่านั้นเกิดขึ้นอเิจังเท่านั้นแปรปรวนอเิจังเท่านั้นดับไปทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแปรปรวน ทุกเท่านั้นดับไปก็มีความหมายอนเดียวกันอนิจสจตาธรรมเท่านั้นเกิดขึ้นอนิจสจตาธรรมเท่านั้นแปรปรวนอนิจสจตาธรรมเท่านั้นดับไปอนิจสจตาธาตุเท่านั้นเกิดขึ้นอริจสจตาธาตุเท่านั้นแปรปรวน อันนี้จตาธาเท่านั้นดับไปก็มีความหมายแอนเดียวกันอันนี้จตาทำเท่านั้นครองลูกทุกขตาทำเท่านั้นครองลูก อนตัตตาทำเท่านั้นครองโลกก็มีความหมายอันเดียวกันจะหั่นหั่มสังขานให้เป็นไปอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้มีหน้าที่จะรู้ตามเป็นจริงด้วยแห่งมนุภาพ แห่งสติปัญญาภาพจะพิจารณาตามจริงด้วยจะรุดพ้นจากความหลงด้วยจะไม่ยืนยันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ปฏิ ญ, ญาว่าจะอยู่ในอำนาจของท่านผู้ใด ไม่ได้ยืนยันว่าข้าพาเจ้าเป็นสังขารท่านผู้ใดไม่ได้ยืนยันว่าข้าพาเจ้าเป็นธาตุของผู้ใดไม่ได้ยืนยันว่าข้าพาเจ้าเป็นธรรมของผู้ใดเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ขาดสายไม่ขาดระยะประจำโลกอยู่ไม่ได้อินูอินีก็ผู้ที่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ถ้าคนละกายก็อันเดียวกันถ้าคนละกองนาวลูกก็อันเดียวกันไม่อิโนโอิเนก็ผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของไ ม, ม้ไม่ปฏิเสธได้ไม่ปฏิญญาณกับใครด้วยเป็นจริงอยู่อย่างนั้นยะถาภูตังส ม, มปัญญายะทัตถพัง เธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดพระบรมชาตเสดาจิตใจของเธอทั้งหลายเคยยึดมั่นถือมั่นหากจะปล่อยเองวางเองไปตามสภาพดอกในตังมะมในสวหามัตฉมิตรนัมิโสอัตตาติรูกก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ ด, กดีที่บัญญัติว่ารูกขันนามขันที่บัญญัติว่าสังขาร ที่บัญญัติว่าโลกที่บัญญัติว่าทุกท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดส่งคืนเถิดส่งคืนความเข้าใจผิดของตนเถิดทาตก็ส่งคืนให้ทาตุธรรมก็ส่งคืนให้ธรรมที่บัญญัติว่าขันก็ส่งคืนให้ขัน เธอทั้งหลายอยากเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าเธอทั้งหลายเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้เมื่อไม่อยู่สมประสงค์เธอทั้งหลายจะลิ้นลิ้นลนกัดแกงจิตใจของพวกเธอก็เดือดร้อนสิ่งเหล่านั้นไม่รู้อีนูอีนี่อะไร ดินก็ส่งคืนให้ดินน้ำก็ส่งคืนให้น้ำไฟก็ส่งคืนให้ไฟตามสมมติลมก็ส่งคืนให้ลมตามสมมติที่เรียกว่ารูปประโรคที่เรียกว่ารูก ป, ประขันที่เรียกว่ารูก ป, ประธาเวธนาสุขทุกเบิดขาก็าดีสัญญาก็าดีสัญญาจำลูก จำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผูดตะพะจำธรรมารุมก็ดีสังขารที่ปรุงเกะแต่งแห่งกิจก็ดีวิญญาณที่รู้จากทางตางหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเธอทั้งหลายจงส่งคืนเสียถืด อ, อย่าไปชี้ไปต้นเลยจงปล่อยวางตามสภาพเสีย ถ้ า, าว่าเธอมายึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วความเดือดร้อนของเธอทั้งหลายก็จกไม่มีถ้ า, าว่าเธอทั้งหลายยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วความเดือดร้อนของพวกเธอทั้งหลายก็มีเพราะลูกกรณีเวทนาก็ดีสัญญากดีสงขารก็ดีดุจเหมือนหัวฝีเกิดขึ้นแล้วก็แปรแตกสลายไปหรือเหมือนต้นกล้วย หรือเหมือนต่อมน้ำหรือเหมือนพาดชนะดินเวนทน า, ส, นนานสัญญานี้ดักเร็วนะัะเหมือนพยับเดชทิ่งที่เกิดขึ้นแ ป, ป่ปวนและแตกสลายบรรจุอยู่ในโลกนี้แล้วเธอทั้งหลายจงหัดเห้รู้ตามเป็นจริงเถิด ยะถาภูตังสัมมัปปัญญายาทัตถั์จงทรงคืนจาโคประเทนสรูมุตติอนาระโยอย่าได้อะไรเลยอย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจงทําจิตใจของพวกเธอให้ว่า ง, างจากสัตว์จากบุคคลเสียส่ดนนิมิต ท, ทั้งหลาย ก็คือรูปนิมิตกันเองเมทนาทัญญาสังขารวิญญาณเป็นนิมิตฝ่ายนา้ำดินน้ำไฟลมเป็นนิมิตฝ่ายรูปนิมิตทั้งหลายเหล่านี้แหละเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแล้วเตื่สลายจงพิจณาด้วยปัญญาชัด สมุติเธอทั้งหลายจงส่งคืนตามสมมติเถอดไม่มุิเธอทั้งหลายก็ส่งคืนตามไม่มุดพวกเธออยากคเข้าไปสอดแทรกในส่วนทั้งสองเมื่อพวกเธอเข้าไปสอดแทรกในส่วนทั้งสองแล้วอุปาทานของพวกเธอก็ยึดแน่นเมื่ออุปทาของอุปทานของพวกเธอก็ยึดยึดแน่นเข้าแล้ว ธาตุปป พ, บปปพบก็เกิดขึ้นในที่นั้นทันทีกามาพบลูกประพบอาลูกปรพบก็เกิดขึ้นในที่นั้นทันทีเมื่อเธอทั้งหลายไม่เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเลยสิ่งทั้งปวงก็อยู่ตามสภาพจิตใจของพวกเธอทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพทรรมทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพไม่ไปกี้ไ ม, ไ, ปปกไม่ไปร่อนกันไม่ไปรักถัดรักถอนกัน ลูป ก, ก็เป็นแต่สักว่าลูกเสียงก็เป็นแต่สักว่าเสียงกลิ่นก็เป็นแต่สักว่ากลิ่นรสก็เป็นแต่สักว่ารสลิ้นก็เป็นแต่สักว่าลิ้นกายก็เป็นแต่สักว่ากายโหดทพมากระทบกายก็เป็นแต่สักว่าโหดทพมากระทบกายใจก็เป็นแต่สักว่าใจ ไ, ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตวนเราเขาเป็นเสียงคิดตานุปัชนาเท่านั้น ทำก็เป็นแต่สักว่าทมเป็นเพียงธรรมานุปันชนาเท่านั้นเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้เป็นนักขี้นักปล้นจงปล่อยวางเสียถืดพาระจะหมดไปปัจจุบันอดีตอนาคตเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริง อดีตก็คือกองลูกขันน้ำขันที่ล่วงมาแล้วอนาคตก็คือกองลูกขันน้ำขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือกองลูกขันนามขันที่กําลังเป็นอยู่เธอทั้งหลายจงปล่อยวางเสียเถิดจึงเป็นธรรมอันสูงจึงเป็นจิตใจอันสูง จึงเป็นมหาศีลจึงเป็นมหาสมาธิจึงเป็นมหาปัญญาจึงเป็นมหาวิมุติจึงเป็นมหาเนปานลงเข้าลมออกก็าเป็นต่สักว่าลมเข้าลมออกคือรูปขันความสวยอารมณ์ในเวลาลงเข้าลมออกยูก็เป็นแต่สักว่าเวทนาขัน สัญญาความจำว่าลุมๆก็เป็นแต่จักว่าสัญญาสังขารปรุงแต่งในเวลาลมเข้าลมออกในขณะจิตที่นึกคิดไปทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีก็เป็นแต่สักว่าสังขารวิญญาณความรู้ในทางธรรมมารมณ์ก็ดีในทางตางหูจมูกเลี้นงกายใจที่ส่งมาในปัจจุบันหรืออดีตอนาคตก็ดีก็เป็นแต่สักว่าเท่านั้นไม่อยู่ในอำนาจของใครหรอก แต่สัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาตันหาอุปทานเข้าไปกี้ไปป้นไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งใดที่มีผู้เขาไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจะเป็นของไม่มีโทษย่อมมมีในโลกธรรมชานิสูงอริยธรรม รูปขันนามขันเจนของว่าจากสัจจากบุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาดังที่สมมุติโดยจริงๆสมมุติกันใช่อยู่ในโลกโร น, นตลอดทั้งผู้รู้ทั้งในปัจจุบันผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบัน ผู้รู้ทั้งสามการนี้เป็นอนัตตาธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงถิด อ, อย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของกลายเป็นแต่สักว่ากายเวทนาเป็นแต่สัว่าเวทนาจิตเป็นแต่สัว่าจิตธรรมเป็นแต่สว่าธรรมทรงคืนหมด ส่งคืนให้ตามเดิมสมมติก็ส่งคืนตามสมมุติมิมุดก็ส่งคืนตามใมมุดมืดก็ส่งคืนให้มืดชว่างก็ส่งคืนให้ชว่างโง่ก็ส่งคืนให้โง่ฉลาดก็ส่งคืนให้ฉลาดไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาโง่เป请请 okay いい็นเราเราเป็นโง่ไม่สอดแทรกไปยึดถือเอาฉลาดเป็นเราเราเป็นฉลาด ภาระทั้งหลายของพวกเธอจะหายไปเอสาวันตูทุกขะย่อมเป็นที่สุดแห่งกองทุกข ผู้ใดผู้นั้นปรงภาระแล้วภาระจะไม่มีก็เพราะเห็นอนัตตาธรรมชัดบาปก็สงคืนให้บาปบุญก็สงคืนให้บุญไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็สงคืนให้ใจธรรมก็สงคคืนให้ธรรม รู้ ก, ก็ส่งคืนให้รู้อย่าเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเห็นก็ส่งคืนให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเห็นก็เป็นแต่สักว่าเห็นรู้ ก, ก็เป็นแต่สักว่ารู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเธอทั้งหลายเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนั้นความเดือดร้อนของพวกคือก็หายไปไม่มีประตูจะมาอีก นั่งก็ให้รู้จักตามนั่งตามสมุติแต่อย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของนอนก็ให้รู้จักว่านอนแต่อย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นแต่สักว่าธาตุว่าธรรมว่าขันเท่านั้น จิตก็เป็นแต่สักว่าจิตอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อจิตไม่สมประสงค์ก็จะเดือดร้อนเมื่อสมประสงค์ก็จะติดอยู่เหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานจิตไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ใช่จิตรูปจิต เจตสิกนิพพานผู้มายึดมั่นถือมั่นในจิตจิตก็ไม่มีพิษถ้ามีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วจิตก็ต้องมีพิษถ้ามีความหลงสัมปยุทธ์เพราะมีกิเลสสัมปยุทธ จิตจะเด่นดวงสักเพียงใดก็าตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเ จ, จ้าของจิตจะโง่เขลาสักเพียงใดก็าตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของทำชั้นสูงเราอยู่เหนือจิตเราบังคับจิตได้สมัมปรมิสาเถินะถ้าไปเราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของจิตเรารู้จิตตามเป็นจริงของจิต เรารู้ทําตามเป็นจริงของธรรมแล้วเราส่งคืนทั้งสองอย่างเราไม่ไปกี้้ด เ, เราไม่ไปปล้นเรารู้ทั้งอดีตด้วยเรารู้ทั้งอนาคตด้วยเรารู้เนี่ยเราเรารู้ผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ทั้งสามการนี่เราไม่ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ เมื่อเราไม่ไปยึดถือเอาผู้รู้ทั้งสามการเป็นเจ้าของแล้วเราก็ดับรอบโลกแล้ววิญญาณปฏิสันติของเราก็ไม่มีอะไรอะไรที่จะไปตั้งอยู่ไม่มีอะไรอาวล์ที่ไหนเราข้ามความหลงด้วยวิธีนี้เราทำลายอาวิชชาด้วยวิธีนี้ เราทำลายตันหาด้วยวิธีนี้เราทำลายอุปทานด้วยวิธีนี้ด้วยปัญญาอันชัดเราทำลายกรรมและผลของกรรมด้วยวิธีนี้เราทำลายเหตุด้วยวิธีนี้เราทำลายผลด้วยวิธีนี้เราจึงอยู่เหนือเหตุเหนือผลจึงไม่เป็นเศษเศ้าเหตุเศร้าผล ปัญหาของเราจึงหมดไปไม่สอดแทรกตนเองมาให้เป็นทุกข์ทำให้ท่านสูงที่สุดนี่เหตุฉชนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงฟ้ารบว่าบางแห่ สมาธิรุ่นล้วนก็มีรถนิดเดียวเท่ากับไม้ชำละฟันท่านพูดนะในที่พูดนี้ท่านไม่ได้พูดประมาท ธ, ธรรมะท่านพูดตามเป็นจริงของธรรมะชั้นสูงเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดายังไม่ได้ติดอยู่ในที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ได้ติดอยู่ในรูปไม่ได้ติดอยู่ในอารมณ เพราะไม่ได้ไม่ติดอยู่ในรูปเครื่องรูปเป็นอารมณ์ก็เพ่งเฉยเฉยเพ่งอารูปเป็นอารมณ์ก็เพ่งเฉยเฉยแต่ไม่ติดอยู่เพราะไม่มีใครเข้าไปสอดแทรกเอารูปและอารูปเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่แต่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นฉักเป็นบุคคลเห็นละกฏสกุลละกายทุกขณ์ทุกเหตุต้องการเห็นสิ่งไหนก็เห็นแต่ไม่ยึดถือในผู้เห็นแต่ไม่ยึดถือในผู้รู้เหตุฉะนั้นการรูก้การเห็นจึงไม่มีพิษทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย จึงได้ข้ามห่วงทะเลหลงไปรักนิวมือเดียวไม่ได้ถือว่าเราแก่เก็บตายเป็นเรื่องสังขารจางหากบางทีหลงปู ม, มัานรับอาหารอยู่กำลังรับอาหารอยู่มีแม่ชีแก่คนหนึ่ง อายุแก่กว่าหลวงปู่มั่นพอมาส่งอาหารก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรกินข้าวอยู่นั้นพูดแต่ยาวตามภาษามันนอนไม่ได้ว่าฉันเชียเลยหลวงปู่ก็ไม่ถือสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นกลืนงคำข้าวแล้วก็สังขารกองทุก ที่รับทานอาหารอยู่นี่ที่ชั้นจังหารอยู่นี้ที่ฉันอาหารอยู่นี่มั่นไม่ได้ชั้นดอกตอบ ก, กันทันหรือเกนหรือปู่มั่นก็ให้คะแนนว่ายายแกคนนั้นปฏิบัติมานานแล้วถึงโลพุตะจิตยายแกคนนั้นเป็นพระรยาบุคคลท่านใดท่านหนึ่ง นักปราชพูดกันฟังดีมากพวกเรามองไปที่ไหนก็เห็นแต่ดีนนะ้าไฟลงไม่ได้เห็นอันอื่นในส่วน่าตในส่วนธรรมก็เหมือนกันรูปประธรรมนามธรรมเท่านั้น ทั์ท่องเที่ยวอยู่ถ้าสรัพ์ทั้งหลายไม่หลงรูปประธรรมนามธาตุแล้วก็พ้นไปรูปประธาตุนามธาตุตรงานกันท่านเข้าสมาธิทำไมเข้าเป็นเพื่อเป็นที่อยู่ของขันธวิบากเปลี่ยนอิเดียบท เพื่อขันธวิบาศยืนเดินนั่งนอนรับตื่นบ้าง ข, าขา ร, มมาาราวพรอบรมศาสัดาในคราวที่ไปเมืองกุชินาอานอนเอ๋ยเราเหนื่อยนะเธอจงไปตักน้ำมาให้เราดื่มเถิด เราจะพักผ่นให้ระหายให้กังให้ระงับความกระวนกระวายสักหน่อยหน้ามันคุณพระเจ้าข้ากุ ย, ยันห้าร้อยเล่มผ่านไปนี่เออคุณก็จงไปดูเถิด อ, อย่าเพิ่งคาดคานเมื่อพระอนุนเข้าไปอาน้าแล้วหน้าก็ไม่ขุนเลยใส ฟ้า อ, อนุนเป็นที่อัศจรรย์มีสิ่งที่จะปารกอะไรบ้างปารกอย่าง อ, อนุนเอ๋ยรถคันนี้มันขาดหม้อน้ำเธอจงไปตักน้ำมาใส่ถือคล้าาๆก็ว่าอย่างนั้นแหละ อนัตตาธรรมเป็นธรรมลุ่มลึกในพระพุทธศาสนาไม่สนใจยิงเกียงยากจะเข้าใจตีความหมายมากยากอนัตตาฝ่ายบาปเป็นฝ่ายเว้นในเบื้องต้นอนัตตาฝ่ายบุญเป็นฝ่ายเจริญทำให้เกิดให้มี เมื่อสุดท้ายอนัตตาบุญก็ดีอนัตตาบาปก็ดีก็ส่งคืนหมดไม่เข้าไปยึดถือสอดแท ร, เรกเอาเป็นเจ้าของส่วนกุศลพลนบุญพระอนาคามียังจัดเป็นกุศลพลนบุญอยู่เพราะติดอยู่ในบุญ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 เหตุที่จะสร้างบุญจึงไม่มีในท่านเหตุเจริญบาปก็ไม่มีในท่านเมื่อเหตุไม่มีผลของท่านก็เลยเป็นผลขาดตอนอรหัตผลเป็นผลขาดตอนไม่เชื่อมมาจากเหตุไม่เหมือนโสดาปฏิมักโสดาปฏิมั ก, โ ส, มกโสดาปฏิผล เชมาจากเหตุที่เป็นโลกุตระเหตุโลกุตระผลสัคขาคามิมัคสัคขาคาริผลก็เชื่อมมาจากเหตุที่เป็นโลกุตระเหต์ที่เป็นโลกุตระผลอนาคามิมัคก็เชื่อมมาจากเหตุที่เป็นโลกุตระเหตุที่เป็นโลกุตระผลส่วนอรหัตตมรรมผลของพระอรหัตตมรรมไม่ได้เชื่อมมาจากเหตุเป็นผลขาดตอน เป็นผลพิเศษไม่ได้เชื่อมมาจากเหตุหมดเหตุแล้วส่วนเถดาปฏิพันธจักทาขยพุนนาคาขผ ล, าาผลเชื่อมมาเชื่อมมาจากเหตุเหตุแห่งโลกุตระไม่ใช่เหตุแห่งโลกีเหตุมันมีสองเหตุตามกว่าพระโถดาบันลงไปก็เป็นเหตุในทางโลกีก็เป็นผลในทางโลกี ถึงจะเป็นกุศลก่อตางก็เป็นโลกีกุศลก็เป็นโลกีเหตุโลกีผลส่วนพระสวสดาบันเป็นโลกุตระเหตุโลกุตระผลรักาคามีอนาคารมีก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักภาวนา จะสนใจใครควรให้รู้ทั้งนั้นนี่ฉะนั้นแล้ยจะหลงโวหารหลงโวหารท่านผู้อื่นบ้างหลงโวหารตนเองบ้างเพราะโวหารก็ต้องหารลงมาหาหนึ่ง หนึ่งอะไรหนึ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเนั่นเองเป็นแต่สรรพธาตุทำขันเมื่อจิตใจปรงลงอย่างนั้นแล้วการกลัวแพ้กลัวชนะในโลกมันก็ไม่มี เมื่อการกลัวแพ้กลัวชนะไม่มีตัณหาก็ไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีทุกทางใจก็ไม่มีเมื่อดับตัณหาก็คือดับทุกมีความหมายอันเดียวกันเมื่อดับทุ ก, ก็คือดับตัณหา กายก็เป็นแต่สักว่ากายไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสสนาตามสมมติฐานเวทนาก็เป็นแต่สักว่าเวทนาไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสสนาเท่านั้นใจก็เป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตานุปัสสนาเท่านั้นธรรมก็เป็นแต่สักว่าธรรมไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัสสนาเท่านั้น ก็มาถานท้งหลายมาติดข้างกันอยู่นี้มากมายึดมาถือกันอยู่ในเรื่องนิมิตหรือสุขา ข, เ า, ขาเวทนาทุกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาแข่งประชันขั่นแข่งกันอยู่เพียงเท่านี้ผมนั่งได้เท่านั้นฉันนั่งได้เท่านี้ ฉันเดินไปเที่ยวพรมโลกฉันสง่งจิตไปนั้นสง่งจิตไปนี้หวดอ้างกันอยู่เพียงแค่นี้เพราะยังยึดถืออยู่นั่งใครเป็นเจ้าของนั่ง นอนใครเป็นเจ้าของนอนเห็นใครเป็นเจ้าของเห็นไม่เห็นใครเป็นเจ้าของไม่เห็นเดินใครเป็นเจ้าของเดินยืนใครเป็นเจ้าของยืน นอกจากกิเลสความหลงแล้วมันมีใครจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นเจ้าของกพามีแต่กิเลสเท่านั้นเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเพราะไม่ยอมให้มันว่าจากสัตว์จากบุคคล ถ้าเห็นเป็นเะสักว่าเห็นถ้ารู้เป็นเะสักว่ารู้ไม่ส่งต่อไปหารักหาชังหาความเดือดร้อนการเห็นการรู้ก็เป็นโมฆะไปเห็นเรียบเรียบู้เรียบเรียบเท่านั้นเ้าว่าสวยก็สวยไปตามเขาเสียเ้าว่าไม่สวยก็ไม่สวยไปตามเขาไม่ต้องคัดค้านส่งคืนให้หมด ได้ก็สมมุติว่าได้ปตะตามเขาเสียก็สมมุติว่าเสียประตามเขาแต่ไม่ให้เดือดร้อนเพราะไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของในเรื่องได้เรื่องเสียทำเช่นนี้สูงมากนะอืมไม่ใช่ของง่ายๆนะ ถ้ายึดถือว่าเป็นเสียงกูก็ต้องยึดถือว่าเป็นหูกูอีกเหมือนกันทีนี้ยึดถือว่าเป็นตากูก็ยึดถือว่าเป็นลูกกูอีกเหมือนกันกูไปกูมาก็หกนะักหนักทีนี้อะไรก็ของกูของกูเหมือนนกเขาทีนี้ ไปจับตัวไหกของกูของ ก, ของกูของกูอยู่ทีนี้ตาก็ตากูหูก็หูกูถ้าหูหนวกแล้วกูก็ไม่กูก็เสียใจทีนี้ถ้าตากูบอดแล้วกูก็ต้องเสียใจที น, นี้นั่นกายก็กายกูทีนี้ถ้ากายกูแก่ ผมงอกฟันหักแล้วกูก็ต้องเสียใจสินั่ น, นกูไปกูมา <c oughs> ตาเป็นแต่สักว่าตาหูเป็นแต่สักว่าหู จมูกเป็นแต่สักว่าจมูกลิ้นเป็นแต่สักว่าลิ้นกายเป็นแต่สักว่ากายใจเป็นแต่สักว่าใจทีนี้ใครไปใส่ชื่อชื่อลือนามให้ว่าตาใครไปใส่ชื่อลือนามว่าหูก็จิตใจไปใส่ชื่อลือนามให้สมมุตินามังแปไ ป, ปชื่อมัน ใครไปใส่ชื่ อ, อนามให้ว่าจะหมูกลิ้นกายก็จิตใจเป็นผู้ใส่ชื่อให้ตามสมมุติแต่ตาเขาก็ไม่รับตอบเขาก็ไม่ปฏิเสธท่านใจท่านเป็นผู้ใส่ชื่ อ, อนามให้ผมชื่อว่าตาผมก็พอใจแล้วครับหรือผมก็ต้องปฏิเสธตามันก็ไม่ได้ว่า หูจมูกเลี้ยก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันทีนี่ใจทีนี่ตาไม่ตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่ตอบแทนเออดีละท่านมาใส่ชื่อรือนามให้ผมมาตาหูจมูกเลี้ยงกายผมขอบพระเดชพระคุณผมจะตอบแทนพระคุณของท่านผมจะใส่ชื่อท่านว่าใจตาหูจมูกเลี้ยก็ไม่ได้ว่าอีก ตกลงใจก็เอาโขนสวมหัวตนเองไว้ใจใจนั่นไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามไห้นี่เป็นอุบายเพื่อจะแยกแยะออกจากเราเขาสัตว์บุคคลเพราะใจเป็นผู้เขียน เขียนว่าตาเขียนว่าหูเขียนว่าจมูกเขียนว่าลิ้นเขียนว่ากายเขียนว่าใจแล้วไม่รู้จักรลบทีนี่ mm hmm. ต้นหากใครมาตนหากฟัดเองต้นหากไปพ้ อ, องเขาต้นหากเสียงเงินตนหากติดคุก mm hmm. ก็คือใจ เมไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจสิ่งเหล่านั้นทําไมมารับสุขทุกข์ด้วยสามเณรมารับสุขทุกข์อุเบกขาด้วยใจไม่รู้เท่าใจใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใจรู้เท่าใจใจก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ใจ ใจไม่ปฏิบัติใจใจก็มามีข้อวัดนอกจากใจไม่มีอันใดจะปฏิบัติใจและไม่มีอันใดจะรู้จากใจและไม่มีอันใดจะหลุดพ้นจากใจ มองไปเห็นลูกก็จะเอาลูปในยินเสียงก็จะคอดเอาเสียงดมกลิ่นมาก็จะขอบจะหอบเอากลิ่นที่นี่รถมาก็จะหอบเอารถที่นี่ก็ไม่มีที่ปรงที่วางเพราะไม่สงคืนอะไรก็เอามด ก็ไม่มีที่ใส่ทีนี้มันมีที่วางเพราะมันคับโลกทีนี้มันไม่มีที่วางเสียแล้วคนนั่นก็เอาคนนี้ก็เอามันไม่มีที่วางทีนี้ทำชั้นสูงของพระพุทธศาสนาเพื่อทำลายอุปาทาเพื่อทำลายทิฏฐิมานะเพื่อทำลายอวิชชาความงู เพื่อทำลายตันหาความเทเยทยานในกองนามลูกเทเยทยามในกองนามลูกกับเทยาธยานในโลกก็มีความหมายอันเดียวกันเทเยทยานในผู้ลูกในอดีตในอนาคตในปัจจุบันก็มีความหมายอันเดียวกันอาหารของสัตว์ทั้งหลาย กรรดิเงการอาหารอาหารคือคำข้าวภัษอาหารอาหารคือภาษะมโนสัจเจตนาอาหารอาหารคือมนสัจเจตนาความนึกคิดวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณจับทั้งหลายติดอาหารเหล่านี้อยู่เพราะถือว่าอาหารเหล่านี้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล ส่วนพระอริยเจ้าชั่นสูงท่านข้ามไปแล้วข้ามความหลงตอนนี้ไปแล้วถ้ า, าว่าตากูหูกูจมูกกูเลี้ยกูกายกูใจกูมีอยู่ตราบใดรูปเสียงกลิ่นรสผดธะพะธรรมาลมก็ของกูอยู่ทั้งนั้น อดีตอนาคตก็เหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันทั้นทั้งหลายจงปล่อยวางมือไปเสียถือเทวรลมาศาสนามือใจมือสติมือปัญญา ทันทางหลายรู้จักกรรมแล้วก็จงรู้จักวางถืดรู้จักเขียนแล้วก็จงรู้จักลบถืดรู้จักสมมุติแล้วก็จงรู้จักปิมุติบุดพุนถือรู้จักได้แล้วก็จงรู้จักเสียเถิดเมื่อได้ก็ยินดียิ้มเมื่อเสียก็ร้องไห้เพอเหตุใดเพราะยึดถือว่าของกูใช่ไหม ใช่นะคล้ายๆกับภูเขาไม่รู้ว่าภูใครใครก็บอกว่าภูเขานกเขาก็เหมือนกันนกเขาไม่รู้ว่านกใครก็มีความหมายอันเดียวกัน คารับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคารับผมก็สมมติกันชั่วข่าวดิฉันไม่รู้ว่าใครเป็นดิฉันแท้หนูคุณหนูไม่ไม่ใครไม่รู้ว่าใครเป็นคุณหนูแท้ก็สมมุติกันใช่ชั่วข่าวก็เพราะไม่เห็นอนัตตาทำชัดเมื่อเห็นอนัตตาทำชัดแล้วอุปทานทั้งหลายก็วางเองปล่อยเอง อิชาตัญหาอุปาทานทั้งปวงก็ปล่อยวางไปเองสุขขึ้นมาก็รับเอาทุกข์ขึ้นมาก็รับเอาอุบเบกขาขึ้นมาก็รับเอาไม่มีบางส ก, กุลเชเลย ไม่ยอมให้ใครหากอยู่อย่างนั้นหอบอยู่อย่างนั้นต่างคนก็ต่างหลังหักทอกอะไรของมันทนียืนก็ของกูนั่งก็ของกูนอนก็ของกูกูไปกูมาขันอยู่ต้นไม้ เยี่ยวมาเขียวเอาไปกินเลยนกเขากุ๊กกลูกุ๊กกูอยู่ฟักใส่เขียงก็ถะลยยงขึ้นมากุ๊กกูกุ๊ก ก, ก, ก, กูแหลนกเขาที่ท่านเทศทาชั้นนี้เป็นทาชั้นสูงมากถ้าไม่พิจารณาให้แยกขายจะหลงไม่ใช่น้อย ความได้ความเสียไม่มีในท่านผู้ใดท่านนั่นข้ามได้แล้วท่านข้ามความได้แล้วท่านข้ามความได้ไปแล้วข้ามความเสียได้แล้วเกิดตายไม่มีในท่านผู้ใดผู้นั่นข้ามเกิดตายไปแล้ว ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นไม่มีในท่านผู้ใดท่านเหล่านั้นข้ามเดินข้ามเดินท่านนั่งข้ามนอนข้ามหลับข้ามตื่นไปแล้วอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีผู้ใดเข้าไปแบกยึดถือท่านผู้นั่นข้ามโลกทั้งสามแล้วคือข้ามทั้งโลกอดีตทั้ข้ามทั้งโลกอนาคตทข้ามทั้งโลกปัจจุบันไปแล้วไม่มีรอย สมมติก็จริงจริงตามสมมุติไม่ได้ไม่ได้เอามาข้านวิมุตต์วิมุตต์ก็จริงตามวิมุตต์ไม่เอาไปข้านสมมุติเมื่อไม่หาจิ้ทางฝ่ายค้านงานก็ไม่มีนี่ก็จบงานกัน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 แต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นสุขทุกเวทนาอุเบกขาก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ จะข้ามเวทนาทั้งหลายได้ด้วยความยมึดถือว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาจะข้ามสัญญาได้ด้วยมอยืนยันว่าสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาจะข้ามสังขารได้ก็ด้วยไปยืนยันว่าตนเป็นสังขารสังขารเป็นตนจะข้ามใจได้ด้วยปัญญาอันชัด ก็เพราะไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจพระอารมศาสตราจึงท่อพระไทยว่าทมนี่ลุ่มลึกมากยากที่จะเข้าใจได้ง่ายแต่ตรงกันข้าม หน้ามหาสมุทรเป็นของลึกก็จริงแต่เป็นของตื้นของพญาคุดพญาคุ ธ, คธไปลงหน้ามหาสมุทรเพียงเข่าเท่านั้นแต่เป็นของลึกของสัตว์อื่น <c oughs> <c oughs> ปลาติมิงคละ ที่นีถือว่าน้ำมหาสมุทรนี้ไม่พอแขวงหางและหัวเลื้ยวไปเลื้ยวมาเพราะแคบแค่แต่เป็นที่ลึกของปลาตัวเล็กชั้นใดก็ดีธรรมของพระบรมศาสดาเป็นที่เล็กของผู้มีปัญญาน้อย แต่เป็นที่ตื้นของผู้มีปัญญามากซุ่งขอนขอนโตโต ช่างลากได้แต่โครกระบือลากไม่ได้เพราะเพราะกำลังผิดกันท่านปัญญาก็เหมือนกันแล้วไม่ต้องมาถือว่าได้ว่าเสียอะไรหรอก คำชักวนเกิดแจเก็บตายเป็นเรื่องของสังขารรู้ตามเป็นจริงเป็นเรื่องของธรรมะ ทิฏฐิมานะจะไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของปล่อยวางทิ้งทำให้ว่า ลมเข้าลมออกอยากเห็นก็ให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของพุทโทธธรรมโมสังโวต้องการเห็นก็ต้องให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของทรงถวายคืนในพระนิพพานทรงถวายคืนในพระนิพพานคุณในคุณอันไม่เกิดไม่ดับ นิพพานก็ต้องรู้ตามเป็นจริงของพระนิพพานอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของว่าเราเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นเราใจเราเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจเราทำเราเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นธรรมเราก็ยุ่งกันใหญ่ทีนี่ไม่มีที่แก่นะ เป็นศีลศีลเป็นเราเราเป็นสมาธิสมาธิเป็นเราเหล่านี่อายุปทานทั้งนั้นเราเป็นอดีตอดีตเป็นเราเราเป็นอนาคตอนาคตเป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้นั่นแหละเป็นเราเราเป็นคนโง่โง่นั่นแหละเป็นเราเราเป็นคนฉลาดฉลาดนั่นแหละเป็นเรา สิ่งเหล่านี้มีแต่หาบทั้งนั้นเนี่ยมีแต่ขนใส่เกวียนขนใส่รถไฟทั้งนั้นเนี่ยเต็มเลยไม่มีรถไฟที่จะเข็นไปนี่เพราะอะไรก็ของกูทั่วโลกหมดแล้วตาของกูหูของกูรูปเสียงกินรถผดสะพะเห็นแต่ละวันละวั น, ล ะ, วนละคืนก็มีมากไม่มีที่จะใส่ละทีนี้ เราเห็นมามากแล้วเราเอาเอาลูกใส่ไว้ที่ไหนเราเห็นมามากแล้วเราเอาเสียงไวท้ที่ใส่ไว้ที่ไหนล้ว เ, เอาไปขายที่ไหนเสียงกลินล่นเราก็เดดมมามากแล้วกินชอบหรือกินไม่ชอบก็ดีแล้ว เ, เอาไปใส่ไว้ที่ไหนทีนี้ไม่มีที่ใส่ละทีนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็หายไป เสียงข้าหูส่งลงถึงใจก็หายไปแล้วทีนี้เรายังจะมากอดว่าเขากูเขากูอยู่อย่างนี้ก็กอดแดดกอดลมทีนี้กลิ่นกระทบจมูรู้ว่าเหม็นหอมหรือธรรมดาก็ดีก็ล่วงไปแล้วทีนี้ของกูหอบมาอีกทีนี่เลมซากทีนี่มันไปแล้ว มันผ่านไปแล้วนี้วมันผ่านมาซึ่งหน้าอีกก็จะคุบอีกทีนี้ก็ตกลงเล่นมวยกับเงาของตนเองเหนื่อยตายทนีนี้นั่นนาฬิกากูกำลังในท่านั้นมันก็ผ่านไปอีกนี่ซึ่งหน้านี่ นั่นมันก็ผ่านไปซึ่งหน้าแล้วทีนี้กลับก๊อปก๊อปไปเลยว่ายังไม่ได้สุดคําพูดช้ามันไปกูได้เท่านั้นวินาทีกูได้เท่านี้วินาทีนั่นเนี่ยความเจริงมันลวงไปลวกไปทั้งนั้นเสียงเขาหูส่งลงถึงใจก็ลวงไปแล้วจะหอบไว้ก็ไม่ได้ใจนึกคิดแต่ละบันละบาดก็ ล, ล, ล่วงไปล่วงไปล่วงไปหมดเนี่ย เรายังหอบเอารอยของมันมาชมอยู่ทีนี้